กับเรียนถามราอาจารย์นะคะคือเหตุที่มานี่คือหาแนวทางภาวนาให้กับคุณแม่นะคะ เ, ออเพราะว่าเห็นความเสื่อมของสังขารก็อะไรที่ถูกจริตกับคุณแม่ก็พยายามส่งเสริมนะคะก็อย่างก็อย่างที่อย่างที่คุณแม่บอกนะอย่างการมองเห็นแขนข้างซ้ายว่า เ ข, เขาอ่อนแนะอแล้วก็อ่อนแรงแล้วก็ช่วยต้องมาให้ได้ทำให้ได้เยอะนี่ได้แล้วแกว่ได้แล้ว <c oughs> คือคือมุมมุมแบบนี้ก็เป็นมุมที่คือมันเหมือนกับสิ่งที่เรามีสติเนาะ <c oughs> เรามีสติเนี่ยเวลาที่เรามีสติมองกลับมาที่ร่างกาย <c oughs> เราเราจะเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ย ไม่ใช่ของเราเนาะเราอยากให้มันดีมันก็มันก็ไม่ดีเราไม่อยากให้มันเป็นมันก็มันก็ไม่ได้เชื่อเราเนาะมันก็เป็นมันนั้นนั่นคืออย่างอย่างมุมที่อย่างมุมที่พูดออกมาว่าเขาอ่อนแอเนี่ยคือเขาเนี่ยมันไม่ใช่เราล่ะคือมันเขาล่ะคือกรณีอย่างเนี้ยมันก็เป็นกรณีที่มันก็เป็นกรณีที่เราก็ควรจะมองเนาะมองสิ่งต่างๆที่ที่เกิด ที่เกิดขึ้นแล้วก็การมองอย่างที่บอกอย่างยอมรับเนี่ยก็คืออย่างเวลาที่เราอย่างเราเหมือนกับเวลาที่เราอยากได้อะไรให้มันเป็นตามใจชอบเนี่ยเนาะอย่างเนี้ยก็คือมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราทุกข์อ่ะเนาะเพราะฉะนั้นนั่นคือการที่เราเหมือนกับว่าคล้ายๆก็คือยอมนะยอมรับการยอมรับเนี่ยอย่างอย่างเวลาที่ผู้ปฏิบัติใหม่ จะเกิดความง่วงเนาะเกิดความง่วงเกิดขึ้นเนี่ยจะไม่ยอมรับนะ้ะก็พยายามผลักไสนะกรณีอย่างเงี้ยก็คือกรณีที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการไม่ยอมรับแต่ถ้าเกิดว่าเราเรายอมรับในเชิงของสติอย่างเงี้เนาะก็อย่างที่เหมือนกับเรามีสติที่เห็นอย่างเงี้ยการที่พระจานทร์น้อยย้ำอยู่เสมอเสมอว่าคือ กายเราเนาะก็ส่วนหนึ่งความง่วงที่มันมาก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เห็นความง่วงมันก็อีกส่วนหนึ่งคือมันเป็นคนละส่วนคนละส่วนกันมหบังทีเรามีอายุเนาะบังทีเรามีอายุเราก็ต้องก็ต้องพิจารณาพักผรอนอะไรต่างๆ่นานาแต่ว่าแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันเนี่ยการที่รู้สึกรู้สึก ไม่พอใจที่เขาเกิดขึ้นหรืออะไนะตานๆเนีน่นี่คือสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่เราไม่ยอมรับเนี้ยแต่ว่าพระจ้าโนธก็จะเน้นนะว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของการที่พรเราทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะพบว่าในคนที่ปฏิบัติทำบ่อยๆเ บ, บื้องต้นเนี่ยเราจะมีความวุ่นเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่ยๆคือเขามาให้เราเห็น เขามาให้เราเห็นไม่ได้มาให้เราลาคาญนะเข้ามาให้เราได้เรียนรู้เขามาให้เราได้เรียนรนู้เย่างอันนั้นนั่นคือไม่ว่าอะไรยังไงก็ตามความสงสัยก็ดีหรืออะไรยังไงก็ดีเนี่ยคือเหมือนกับเรายังไม่ทําตามเขาก่อนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นความซุ้งฟุ้งซ่านที่จะชวนให้เราหงุดหงิดหรือความสงสัยที่จะชวนให้เราเอ่ยปากถาม หรือความง่วงที่จะโยนให้เราหาหมออย่างเงี้ยหาหมอ น, มนันหนุนนอนอย่างเงี้ยนะลองไม่ทําตาม ก, ก็ก่อนลองลองดูเขาก่อนลองดูซึ่งอย่างเงี้ยคือเหมือนการลองดูเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราค่อยๆเห็นธรรมชาติของความง่วงอย่างเงี้ยนะว่าอ๋ความง่วงหรือความสงสัยเรืออะไรมันเหมือนกันนะมันจะม า, มาเมื่อไหร่ก็เรื่องของมันใช่ไหมแล้วมันจะไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคือถ้าเกิดว่าเรางับปากนั้นๆไม่ไม่ถามอะไรตามความสงสัยเนี่ย เราลองดูสิมันจะทนอยู่ได้ไั้ยมันก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปอยู่ดีเนี่ย<ต>คือเรื่องแบบนี้คือเรื่องแบบนี้มันก็จะช่วยให้เราได้เหมือนกับได้เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกได้เรียนรู้แล้วก็ได้เกิดการบังใจที่ถูกต้องตรงนี้คือคือการมองนะการมองด้วยสติการมองด้วยความรู้สึกตัวจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มองด้วยสติมองด้วยความรู้สึกตัวเรามองตามความเคยชินด้วย ด้วยความเคยชินของเราอะง่วงก็ต้องหาหมอนใช่สงสัยก็ต้องเ อ, อ่ยปากถามสงสัยก็ต้องทำนู่นทำนี่แต่ น, นานๆเหล่านี้เพื่อแก้วความสงสัยแต่นี่คือเหมือนกับพอเรามีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยเราก็จะพลิกพลิกกลับนะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ให้เราได้เรียนได้รู้แล้วพอเราได้เรียนได้รู้เนี่ย สิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นซ้ำน่าซ้าอีก 20-30 ปีเนี่ยมันจะเกิดมุมมองใหม่อีกอันนึงที่ทำให้เราได้ได้คาตอบที่ผ่านสติที่เป็นการคำตอบที่ผ่านสติไม่ใช่เป็นคำตอบที่ผ่านความเคยชินทุกทุกวันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อย่างอย่างที่คุณแม่พูดถึงเรื่องที่ถึงเรื่องทำเล่นๆเนาะทาเล่นๆทำสนุกสนุกตัวนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ให้เวลาที่เราเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราลองลองใช้มุมนี้ดูเพราะมุมที่เป็นปัญหาสําหรับผู้ปฏิบัติแล้วก็มันไม่เป็นแรงจูงใจอะเนาะก็คือความเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเพราะเอาจริงเอาจังกับความสนุกนี่มันต่างกันเนาะใช่ไหมอย่างสนุกเนี่ยอย่างคุณได้บอกทําได้เรื่อยๆนะไปทีไรก็สนุกทุกทีมันก็ทําได้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆ <Okay. S 1> คือมันเป็นแรงจูงใจให้เราเนี่ยได้ทำำําซ้ําแล้วซ้ําอีก การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทํำไปแล้วเราก็รู้สึกยิ้มยิ้มเราก็เหมือนกับว่าเหมือนกับได้มองเห็นได้มองเห็นข้อดีของเข้าด้วยแล้วเราก็เสริมกําลังใจให้ตัวเราเองด้วยในต่างๆเอผู้สูงวัยเอาผู้สูงวัยอีกคนหนึ่งคุณยายอาจารย์เป็นยังไงบ้างฮะไม่เจอกันไม่เจอกันหลายเดือน อย่างยัางในเชิงของการใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยตอนนี้ เ, นเวลาเวลาเจ็บป่วยก็จะมองไปตรงที่เจ็บแล้วก็ให้มันผ่านไปที่บางทีปวดหลังมากมากก็มองไปที่หลังอืมว่านี่นี่คือความเจ็บปวดร่างกายเจ็บปวดไม่ใช่เราเจ็บป่วดเราต้องปล่อยวางแล้วเราเราเป็นความรู้สึกแล้วสักพักมันก็จะดีขึ้นความความปวดจะน้อยละน้อ ย, อยลงแต่ไม่หาย อ่าแต่ว่าแต่ว่ามันน้อยลงอ่าน้อยลงมันไม่หน้อยลงด้วยด้วยใจเราไม่ไม่ทุลน์ทุลาเอ่อด้วยเลยใจเราคิดว่าดีขึ้นแล้วทํานองนั้นหมายถึงว่าณณตอนนี้นี่ความปวดหลังเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มาเยือนอยู่เป็นประจําเนาะนานมานัานๆมาดีแต่ปวดขาที่ปวดทุกวันอ๋อปวดขาตั่งอย่างนี้ก็ต้องน้องจะปวดออก็มองไปที่น้องเพื่อให้ ถ้าเทียบความปวดขากับความปวดหลังนี่ระวางใจตรงไหนได้มากกว่ากันวางใจที่หลังได้มากกว่าขาไม่หายเออขาทํายังไงก็ไม่หายมองแล้วมองให้ผ่านทําไงก็ไม่หายไม่ไม่ผ่านเลยเหรอไม่ใช่ว่าทิ้งไปเลยเหรอก็ช่างมันเลยมันทิ้งไม่ออกไงหลากทิ้งนะแต่ไม่ทิ้งไม่ออกแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงว่าแล้วเราจัดการยังไงกับเขาเวลาเวลาปวดขาเราทํายังไงกับขา เวลาปวดขาเราก็คิดว่าเออนี่สังขารปวดนะไม่ใช่เราปวดรูปปวดนะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่เราปวดเราก็ต้องทําใจแล้วว่ามันมันมันเป็นที่รูปไม่ใช่เป็นที่เราใจนึกอย่างนี้แบบตลอดเวลาพอได้เนาะพอได้พอได้นิดหน่อยแล้วพอได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะแต่ก็ใจสู้เนาะต้องสู้อ่ะ สาธุสาธุาธ <laughs> มี <laughs> มีใครมีใครใช้ความรู้สึกตัวกับชีวิตประจับไงยเชิญ <laughs> นะเคือเออเป็นคนที่แบบบ้านอยู่ไกลแล้วขับรถนานมากวันหนึ่งประมาณสามชั่วโมงค่ะช่วงขับรถเนี่ยมันจะพ้งซ้านมากแล้วความทุกข์อ่ะ มันจะมาจากการนั่งอยู่ในรถแล้วก็คิดไปเรื่อยๆพอถึงออฟฟิศหรืออะไรเป็นความใจมันก็จะทุกข์อ่ะมันปรุงแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็คิดว่าทำยังไงให้เรารู้สึกตัวอ่ก็มันมีประคำอ่าประคำเนี่ยก็คือรถมันติดบ่อยะคะ่ะก็เลื่อนประคาไปเรื่อยๆคือไม่ได้นับนะคะคือเลื่อนตอนที่มันรู้สึกคะ่ะ อแต่ว่าบางทีมอย่างที่ทํางานมันมีความอาจจะมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนเลื่อนประคำเนี่ยบางทีความทุกข์มันมากองอยู่ตรงใจเราจะเห็นมันนะคะคือมันไม่ได้สบายขึ้นะแต่ว่ามันไม่ไปต่อคือเรื่องที่คิดนะ่ะมันไม่ได้ถ้าถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะเรื่องที่เราคิดที่ทํางานนะตอนที่เราขับรถมันจะไปเรื่อยๆปรุงไปโกรธ น, น, นู่นโกรธนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่เลื่อนประคำเนี่ย ความทุกมันก็ยังอยู่มันจะกองอยู่แต่บางทีมันก็เบาไปมันก็หายไปมันก็ช่วยให้ไม่ไม่โง่มงมากตอนตอนที่ตอนที่ตอนที่เราขับรถหรือว่าอช่วงหลังเวลารออะไรสักอย่างบางทีแบบมันก็ต้องเลื่อนมือถือนะตามก็ก็จะฉีบประคําขึ้นมานาั <c> ่ง <ười> เคลื่อนไปเรื่อยๆแบบ ก็รู้สึกมันไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ก็รอไปก็รออะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าอันอันนี้ก็ดีเหมือนกันมันมันช่วยลดความฟุ้งซ่านแล้วก็ไอ้ความคิดคือเป็นคนคิดเยอะอะค่ะแล้วความคิดมันมักจะไปทางให้ทุกข์มากอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามใช้ช่วงเวลาที่มันมันอาจจะปรงแต่งไปใช้แบบเนี้อะค่ะ อันนี้ที่ที่ที่ได้เริ่มลองใช้ดูนะค ะ, ะ, ะสาธุสาธุจริงๆแล้วคือถ้าถ้าเราพูดนะเวลาที่เราอยู่ในถนนนะบางทีพวกรถข้างๆมันก็มีเหตุเนาะอาจจะมีเหตุจากเสียงจากตาอะไรต่างๆนานาแต่อันนี้คือนี่มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช้ตาสัมผัสรูปไม่ใช่หูได้ยินเสียงแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความคิดล้วนๆที่เราไปคิดถึงที่ทํางานเนาะอย่างงั้น ความคิดที่มันวุ่นวายก็อย่างนี้นะคือชีวิตเรามันก็มีเขาเรียกว่ามีเหตุให้เราหลงนะหลายอย่างบางทีตาก็ชวนเราหลงหูก็ชวนเราหลงจมูกก็ชวนเราหลงอะไรอย่างนี้แล้วความคิดนี่ก็สําคัญในขนาดที่เหมือนกับว่าเรื่องราวแวดล้อมบนถ น, นนนี้จริงๆเราใจก็ต้องจบับจ่อกันเรื่องว่าน น, น, นี่ยังอุตส่ามีช่องดีมีช่องที่คิดขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ก็ คือการที่เราพาใจกลับมารู้สึกกับกับตรงนี้ก็มันก็เป็นสิ่งที่ก็เห็นนะเห็นชัดว่าความคิดก็หยุดลงงนสาธุสาธุสาธุาธ <c oughs> มีใครเล่าสู่กันฟังถึงประสบการณ์ประจำวัน <c oughs> ความเดิมจากตอนที่แล้วค่ะอาจารย์ เดือนที่แล้วที่หนูอะไรเหมือนเสียศูนย์ไปค่ะตอนนี้ก็กลับมาได้แล้วแล้วก็ก็ทําตามที่พระจานทร์ตุ้มพระจานทร์โนดบอกค่ะว่าแบบก็ไม่ต้องหวังเจออะไรก็ไม่ต้องหยุดมองตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันก็ดีขึ้นนะคะก็พยายามรู้สึกตัวไปมีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนไม่ต้องคาดหวังทําสบายๆไปตอนนี้ก็ก็ก็ดีอะค่ะมันก็รู้สึกว่ามันเกิดความเพียรมากขึ้นว่าแบบมันพอเราไม่ปกติอะมันรู้สึกว่า มันทุกอย่างมันมันมันเบลอมันกระทบต่อการตัดสินใจมันทุกนะคะก็เลยจะมีความเพียนค่อนข้างเยอะพักนี้ถามคุณแม่ได้คุณแม่เป็นพยานก็จะเดี๋ยวนี้แบบแต่ก่อนจะนอนแบบขั้นต่ําต้องเจ็ดชั่วโมงค่ะจะห่วงแขนอาการการนอนมากกลางวันก็ต้องนอนอย่างเงี้ยตอนนี้แบบสามชั่วโมงก็แบบคือมันจะรู้สึกตัวเองก็ลุกเลยค่ะแล้วก็แบบช่างมันก็จะไม่ค่อยห่วงกายแล้วแบบเออก็ทําความเพียนไปเรื่อยๆ ก็ทํางานก็รู้ตัวตอนนี้รู้สึกว่าเราอ่อนโยนกับคนรอบข้างมากขึ้นกับพ่อกับอะไรก็รู้สึกว่าแบบเขาบางครั้งเขาหลงหลงพูดจาในแบบของเขาแล้วก็เขาก็คงมีมุมมองในแบบของเขามันก็เรื่องของเขา่าเขาอยากทาแล้วมีความสุขก็เรื่องของเขาเราก็ไม่ไม่ต้องไปทุกข์แล้วรูสึกตอนนี้รู้สึกแบบทุกอย่างมันเบาอ่าะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอืมสิ่งที่เราทํามาคือแบบทําไปไม่ต้องหวังอะไรแบบ ที่พระอาจารย์ครูบาอาจารย์สอนจริงๆว่าทําเหตุให้มันดีอ่ะผลมันจะเป็นไงก็ช่างมานันคือตอนเนี้ยมันมันมันก็เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คิดว่าคงจะทําอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆค่ะกัสาธุครับจริงๆการทําเหตุให้ดีก็คือการมองด้วยสติเนาะการมองเรื่องราวต่างๆรับๆค้างด้วยสติเนี่ยอย่างที่อย่างที่บอกก็เมื่อก่อนเรามองด้วยด้วย ความชอบความไม่ชอบนะงานการวุ่นวายหมดแต่พอมองด้วยสติแล้วไอ้ความวุ่นวายมันหายไปหมดเหมือนกันเลยคือตรงนี้ก็มันก็เป็นเรื่องที่หลวงพ่อว่าจริงๆคือเราเหมือนกับเราก็เรารู้จักสติปุ๊บเนี่ยเราพอเราหยิบมันใช้เนี่ยมันก็จะเห็นเห็นผลอย่างเวลานอเนเียอย่างช่วงที่ผ่านมาในช่วงในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือนนึงนี้หลวงพาก็จะตื่นเนะ ตื่นขึ้นมาในช่วงเ <c oughs> ล่าๆตีหนึ่งตีหนึ่งก็ปรากฏว่าพอตื่นขึ้นมาตีหนึ่งก็จะลุกขึ้นมาดื่มน้ํานิดนึงอย่างเงี้ยนะทำการชันน้ํานิดนึงพอชันน้ําเสร็จเนี่ยปรากฏว่าก็กลับลงมานอนใหม่มันก็พอดีมันก็ร่างกายมันก็จะมีเหมือนกับพอได้น้ําเข้าไป มันก็จะมีเสียงของน้ําที่เคลื่อนไปเสียงเหมือนกับพอน้ําลงไปก็ลมลมมันก็ไล่ขึ้นมาแล้วก็เหมือนกับว่าจิตใจแล้วก็จดจ่อกับใเสียงเสียงที่มันเกิดขึ้นในร่างกายอะไรเงี้ยนะถ้าปรากฏว่ามันก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับอ๋อพอเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นนะเหมือนแต่ว่าคอยดูมันเฉยว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นแล้ก็หับง่ายนะ <c oughs> ก็เหมือนกับไม่ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไร ทำชวนเราเสียเวลาหรือว่าอย่างเวลาที่ตอนตอนนอนอย่างเงี้ยเนาะเราก็ไม่รีบร้อนหลับเนาะคำว่าไม่รีบร้อนหลับก็คือเหมือนกับว่าเออจะหลับเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่เป็นไรก็ไม่หลับก็คอยรู้สึกตัวเอาอยเงี้ยเนาะวเวลาที่เวลาที่นอนก็จะเหมือนกับ <c oughs> จะเอาผ้าคลุมตัวแน่นๆหน่อยแล้วก็เหมือนกับ แ ก, กระดุกกดิกอยู่ในผ้านิดๆหน่อยๆรู้สึกที่ไหล่บ้างรู้สึกที่ขามั่งรู้สึกที่ท้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อพอเรารู้สึกเพลินๆเดี๋ยวก็หลับนะก็คือเหมือนกับจริงๆแล้วมันก็มันก็เราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเอ๊ะทําไมไม่หลับสักทีเอ๊ะทําไมไม่หลับสักทีแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าความรู้สึกตัวมันก็ช่วยนะช่วยง่ายๆเลยอะไรเงี้ยแล้ว ก, แวก็แล้วก็สํารวจความความหลับอะไรต่างๆนานาหลานี้ก็ บางทีก็หลับระยะสั้นๆสักสามชั่วโมงอย่างที่มาก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ก็สำรวจดวงใจมันสดชื่นนะคือหลองภาวันี้นี่คือนี่คือเรื่องที่เหมือนกับพอเราใช้ความรู้สึกตัวมาสัมผัสจริงๆกับเราใช้ความคิดว่าเอ๊ะมันต้องนอนหกชั่วโมงไม่หกชั่วโมงมันไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะคนละอย่างว่าถ้าหากว่ามันไม่หกชั่วโมงนี้มันเอ๊ะมาตรฐานตรงนี้มันก็เป็นความคิดไปหมดแล้วนะมันไม่ได้สัมผัสจริงๆแล้ว เราลองสำรวจที่ร่างกายเราซิแล้วมันก็จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือว่าตรงนี้ก็เป็นคุณอุปการสาธุสาธุพจนนท์มีอะไรนีอะไรเสริมมีอะไรเนาะก็ทาทำให้มันเยอะๆเข้าไปนะแต่ก็อย่างที่โยมว่าคือทำแบบเราตั้งใจทําเหตุให้ให้มากที่สุดเนาะตั้งใจทําโดยการที่เรา ไม่ต้องวังผลว่ามันจะได้อะไรนะมันก็ทําแบบเนี้นยไปเรื่อยแล้วเราพอเราทําเยอะๆนะทาทุกวันนะนะแต่ก็อย่างว่านะไม่ทําด้วยความเคร่งเครียดนะแล้วมันก็จะค่อยๆสัมผัสได้เองว่ามันมีมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเราได้เห็นของผลของการปฏิบัตินะทุกๆวันนะไม่ต้องรอไม่ต้องรอเรามันรู้ทำไม่ต้องรอเราในดูนั่นดูนี่เราจะ เราจะสัมผัสผลของการปฏิบัติทุกครั้งที่เราทำเหตุถูกนะทุกครั้งเลยนะไม่ต้องรอที่ไม่ต้องรอตอนไหนเนาะแล้วก็พิสูจน์กันเอานะแล้วเชองเวลาที่เหลือก็ดูแลตัวเองเอาให้สติเป็นผู้เป็นครูสอนเราให้สติเป็นเพื่อนครูใจเราเนาะ เ, เอาเข้าจริงๆแม้อยู่ด้วยกันไม่ได้แม่ก็ช่วยโยมไม่ได้หรอกถามก็ตอบกันได้บ้างนะแต่จะช่วยให้แก้ไขจิตใจจริงๆก็ก็ไม่ได้นะถ้าเราไม่เห็นไม่เห็นสภาวะแบบที่ถ้าแบบที่มาพูดจริงๆเออไม่ได้ปฏิบัติตามมันเข้าเขามันได้สัมผัสกับสภาพจริงๆเราก็จะแค่ฟังแบบฟังแบบเออเหมือนรู้เรื่องนะ ใช้ภาษาไทยด้วยกันเราก็จะฟังรู้เรื่องแต่เราจะเราจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนั้นะการปฏิบัติก็จะทําให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นเราก็จะรู้ว่าเราผ่านได้หรือ ย, ยังเราติดหรือเปล่านะครูบาอาจารย์หนื่ใกรนั้นก็ทําหน้าที่ตรงนั้นแต่หน้าที่ของเราเนี่ยเราต้องทําด้วยตัวของเราเองเนาะก็อื ก็มาเป็นเพื่อนกันเดือนละครั้งแต่ก็ก็ยังเป็นเพื่อนร่วมทางปฏิบัติกันต่อไปเนาะก็ให้ตั้งใจปฏิบัติอนาอนาโมทนากับทุกทุกท่านเนาะไปสาธุ